ตอระระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะภะคะวะโตอระระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 ส่วนสังขารจิตนั้นเมื่อปรุงแต่งอะไรแล้วก็แสสายลุ่มหลงโม่เมาไปตามอารมณ์ที่เละมีหน้าที่ละหรือในธรรมจากท่านว่าป่าหาตะ ป, ระ า, ประารมปราหานทิ้งปราหานก็คือละทิ้งลอยทิ้งออกไปอยยาได้ลหลงไหลไปจากสังขารจิตนั้น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 แต่ไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวัชณนะเหมือนรูปร่างกายของคนเราไม่มีจิตนั้นไม่มีเพศหญิงไม่มีเพศชายเพศหญิงเพศชายเป็นเรื่องของธาตุดินน้ำไฟลมเป็นเรื่องของรู ป, ปรขันจิตผู้รู้จริงๆอ่ะ ไม่มีเพศหญิงเพศชายธาตุดินน้ำไฟลมต่างหาอย่ามายึดถือจิตนี้นั่นว่าคำว่าพระภิกษุสาวกในทางพุทธศาสนาหรือครวะญาติโยมในขั้งสมัยขั้งพุทธกาล ท่านภาวนาได้ท่านละกีเลกละสกายทิทิวิจิคิจฉาศีละพตะปลามาตได้เด็ดขาดไม่ว่าญาติโยมไม่ว่าพระสงฆ์สามเณรก็ถึงซึ่งสาวก ข, ของพระพุทธเทจ้า ท่านภาวนาได้ทุกเวลาเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วว่ะภาวนาได้ทุกเวลานั่งก็ภาวนาได้ยืนก็ภาวนาได้เดินก็ภาวนาได้นอนอยท่านก็ภาวนาได้คือท่านละกิเลสในใจของท่านได้ไม่เชื่อไม่หลงต่อไปต่อไปอีก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 นั่นละคือว่าจิตมันหลงสมมติมันไม่รู้ว่าโลกเขาสมมุติสมมติว่าสรรเสริญเยนยอสมมติว่าติเตียนนินทาจิตมันก็ไปยืดเอาถือเอาผู้ภาวนาท่านจึงให้เลิกละอาการภายนอกอาการภายนอกคือโลกกระท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 หรือว่าเราถูกติเตียนนินทาในเวลาเรานั่งโยที่ใดที่หนึ่งหรือนัง่งภาว น, นาก็ตามถ้าเราลุกจากที่นั่นไปแล้วจะไปเก็บเอาไปด้วยหรือเราได้รับความติเตียนนินทาในเวลาลงอยู่ในแม่น้าลําคลองเวลาขึ้นจากแม่น้ําลําคลองแล้วก็จะไปเก็บเอามาอีก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 ให้คนเราเกิดความทุกโทมันัดครับแน่นแน่นใจในโลกจึงได้มีความทุกข์ใจเป็นหลักอันสำคัญผู้ไม่ภาวนาไม่ตั้งใจปฏิบัติความทุกข์ใจนั่นมากแต่ถ้าเราทุกคนมาพิจารณาให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริง คือร่างกายสังขารของเหล่านี้ตั้งจะเกิดมามีหน้าที่จะเลินขึ้นเพราะได้อาศัยปัจจัยทั้งสี่มีบิดามานดาที่เลี้ยงนางนมช่วยดูแลให้รู ป, ปรขันนี้ก็จะเลินขึ้นเมื่อจเจริญ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 ของข้าแข่งของข้าเมื่อเจ็บปวดทุกขเวทนาก็ยึดมั่นถือมั่นต้องถามดูว่ามันบ่นไหมร่างกายสังขารเนื้อหนังมางสังเวลามันเจ็บปวดทุกขเวทนานั้นมันบ่นว่าอย่างไงตามความจริงๆเขาไม่บน่นเพราะรูปประคันร่างกายของคนเรานั้น ปะทวีธา ด, ดินเอาดินมาปั้นขึ้นมาเป็นตัวตนคนเราอาโปธาดน้ำเอาธาตุน้ำมาปั้นเป็นตัวเราวาโยธาดลมเอาลมมาปั้นเป็นตัวเราเซโชธาดไฟเอาไฟมาปั้นเป็นตัวคนเราธาดินธาดน้ำเป็นลูก ธาตุลมธาตุไฟไม่มีลูกมาอาศัยกันอยู่จึงให้ชื่อว่าร่างกายมนุษย์คนเราไม่ว่าเพศหญิงเพศชายครือหักแลนบันทัจิตมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประชมกันอยู่จึงได้ยืนเดินนั่งนอนไปมาได้เพราะมีดวงวิญญาณดวงจิต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 มีความภาคความเพียรความพยายามอยู่ในหัวใจทุกลมหายใจเข้าออกคิดใจแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลจิตใจเย็นสบายมีความสุขความทุกข์ไม่มีในใจเรียก ว, ว่าใจสงบตั้งมั่นใจที่สงบตั้งมั่นนี่แหละจะต้องฝึกก่อนสิ่งใดๆ รวมจิตใจดวงนี้เข้ามาภายในมานึกมาเจริญอยู่ในกายกตาสติกรมฐานก็เป็นอุบายภาวนาได้ทุกชิ้นทุกส่วนมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นต้นในลูกภารันอันนี้แหละ ถ้าจิตใจนั้นมาเปียนเพ่งดูให้รู้แจ้งตามความเป็นจริงเจตจะไม่หลงไหลไปกับกรูปผักขันร่างกายนั้นใจจะมีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจะรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเพื่อธรรมดารูปร่างกายที่มนุษย์เป็นห่วงอะไรกับร่างกายนี้นั้น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 จึงแสดงวิกรมวิการต่างๆนานาในทางรูปร่างกายมากมายนับไม่ท้วนถ้าว่าเราไม่ภาวนาเพียรสินิพพิจารณาให้ดีจิตใจที่หลงลืมภาวนาพุทธโธ ร, รวมใจไม่อยู่ก็จะมาลุ่มหลงมัวเมาในร่างกายสังขารของตนบ้างแล้วก็ลหลงไหลร่างกายของบุคคลผู้อื่นด้วย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 เอาจิตใจของตนไม่อยู่เอาจิตใจของตนไม่ได้ก็พาร่างกายสังขาร น, นี่แหละให้เป็นไปในทางที่เกิดทุกโทมันัดคับแค่แน่นใจภาวนาไม่ได้หาเวลาภาวนาไม่ได้คือว่าจะภาวนาเวลาไหนก็ไม่ยอมกิเลสมานมันไม่ยอม จึงมีวิธีการนั่งภาวนาเป็นส่วนรวมคือให้ทำพร้อมๆกันไปฟังธรรมไปอันนี้เป็นการฝุดอย่างหนึ่งนอกจากอย่างนี้แล้วตัวเองก็ฝุดตัวเองอีกให้จิตใจมีความสงบตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติแล้วก็จะต้องมีกายสงบวาจาสงบจิตสงบ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 ชลาเป็นไปไม่ได้รูปรขันร่างกายของเราแม้ยังเด็กอยู่ก็ย่าเข้าใจว่ามันจะเป็นเด็กเรื่อยไปยังหนุ่มแข็งแรงโยก็ย่าเข้าใจว่ามันจะหนุ่มแข็งแรงเรื่อยไปมันจะต้องถึงซึ่งความแก่ความชลาเมื่อแก่ชลาแล้วมันก็ไม่ใช่อยู่แค่แก่ชลา ทุกปีทุกเดือนทุกหลายสิตีมันก็ยิ่งแก่ค้ำค่าเรื่อยไปห้ามไม่ได้แก้ไม่ตกพระพุทธเจ้าท่านจะให้แก้ใจแก้จิตเอาจิตใจมาปฏิบัติบูชา น, นั่งบริกรรมภาวนาพิจารณาหลักของความไม่เสี่ยงแท้แน่นอนไม่ให้จิตใจวันไหวไปตามโลกกระทำแต่สการ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 สงบได้ทุกวันคืนเดือนปีไม่ลหลงไหลไปตามลูกเสียงดินลดโพสภาะธรรมารมณ์ด้วยการมาภาวนาทาใจให้สงบตั้งมั่นในองค์พุทโธ ท, ที่ตนนึกอยู่หรือในธาตุกรรมฐานอสุภกรรมฐานในร่างกายสังขารของตัวคนเหล่านั้น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 ถ้ามีแต่ลูกกายจิตใจไม่อยู่ในนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ก็เหมือนต้นไม้ไม่มีวิญญาณของคนเราจะทำบุญทาบาปได้ต้องมีดวงจิตผู้รู้อยู่ภายในตัวนั่นแหละเป็นตัวสำคัญเป็นดวงจิตสำคัญ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 จิตของเรายาได้หลงไหลไปกับความสมมุติของโลกนั้นหน้าที่ของเรารักษาสินห้าให้บริสุทธิ์รักษาสินห้าของตนให้บริสุทธิ์เว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ต่อพฤติกามกล่าวมุสาว่าดื่มจินสุรามีลายไม่ให้มีนายกายวาจาจิตของเราผู้รักษาศิน ตั้งจิตเจตนางดเว้นได้ ว, ว่าไม่ทำไม่ประกอบไปในธรรมนองนั้นถ้าผู้ใดยังล่วงเกินในหลักศีลห้าชื่อว่าทำบาปทำกรรมอยู่ตลอดเวลาบาปกรรมนั้นนันมันก็ต้องสนองคืนมาเลาชอบข่าครับ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 ความทุกความเดือดร้อนของเขามันขนาดไหนแต่พวกเราผูบริภคถ้ามีเนื้อหนังมังสังมาบริโภกก็ดีอกดีใจล่องลำทำเพรนเพลิดเพลินลืมภาวนาพุทโธไปได้กินดีได้อยู่ดีก็เลยลืมภาวนาพุทธโธในใจเทนี้ต่างหากว่า มีคนด้วยกันจะมาเบียเดเบียนเราอย่างว่าคืนนี้แหละจะมีพวกศัตรูเป็นศัตรูกับเราเขาจะมาฆ่าเราให้ตายด้วยวิธีใดก็ต า, ามถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรถ้ารู้ว่าเขาจะมาฆ่าเราเมื่อนั้นเมื่อนี้จริงๆเน่นอนไม่หลับละต้องวุ่นวายที่สุดเขาจะมาฆ่าจริงๆ เชียงเขาขู่เท่านั้นแหละเขายังไม่ฆ่าคนเราในโลกนี้บางคนนะ่ะเขาขู่ให้กลัวบ้านเดือนอยู่ใกล้กันเขาก็ขู่ว่าจะฆ่าจะแกงอะไรตอนเวลาเขาขู่เฉยๆกับกลัวแต่เวลาคนเราฆนะ่าสัตตัดชีวิตเขาร้องขอชีวิตก็ไม่ฟังหางเสียง ทำเอาจนเขาตายเขาตายเ้าก็กินเนื้อเขาเวลาเสือมันจะมากินเนื้อเราก็ไม่ยอมเพรได้ยินว่าเสือเห็นรอยเสือเท่านั้นเราก็กลัวเพราะว่ากลัวเสือจะมากินเนื้อตัวเองแต่เรากินหมูกินเป็ดกินไก่กินได้แต่ถัาว์อืนมากินน่ะไม่ยอม นี่แหละชีวิตของสัตว์ทั้งหลายใครก็ห่วงอะไรในชีวิตของตนพระพุทธเจา้าพระองค์จึงให้นึกให้เจริญว่ามนุษย์และสัตว์สิ่งเดียวลาฉานทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้เป็นเพื่อนเกิดด้วยกันเป็นเพื่อนแก่ด้วยกันเป็นเพื่อนเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกัน แล้วก็เป็นเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น น, น, นี่แหละคนเราที่เกิดมาในโลกนี้ให้ยึดให้ถือไวในใจว่าเราจะไม่ยึดและเราจะไม่เบียเดเบียนใครให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยการกระทำทางกายการกระทำทางกายด้วยการพูดทางวาจา มคมขูผู้อื่นให้ทุกให้เดือดร้อนจะไม่คิดลายให้แกคนให้แก่สัตว์แม่คิดลายให้ก็ไม่ให้มีให้มีความเมตตาการุณแขมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอเพราะว่าเมื่อมีจิตใจเมตตาสงสารกันอยู่เห็นมนุษย์เห็นสัตว์ สัตว์มันก็รู้จักจากสายตาว่าคนนี้จะไม่เดียเดเบียนเรามันก็เย็นอกเย็นใจหาหาว่าบุคคลใดเดียเดเบียนสัตว์เมื่อสัตว์เห็นเข้ามันก็หนีเอาตัวรอดเพราะว่าคนเช่นนั้นเป็นคนไม่มีสีเป็นคนทุสีเห็นสัตว์ก็อยากฆ่าใช่ นักเข้าก็ฆ่าขาดมากเข้าเลยฆ่าคนก็ได้ลงคอนี่คือว่าใจมันบาปอยากฆ่าทาลุนใจบาปอย่างนี้แหละเมื่อเราเห็นว่าจิตใจเราอย่างเป็นจิตใจบาปอยากฆ่าทาลุนอยู่จึงต้องฝึกฝนอบรมกายวาจาจิตของเราให้เข้าสู่ศีล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 ในทางพุทธศาสนาตามเข้าไปละกีเลกความโกรธในใจได้ตามเข้าไปละกีเลกความโลภในใจได้ตามเข้าไปละกีเ ล, คล ก, ใใเลกเลความหลงด้วยการบริกรรมภาวนาให้จิตใจสงบตั้งมัน่นด้วยการพิจารณาหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นแจ่ง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 จะเป็นทางดำเนินเดินไปสู่ความพ้นทุกภัยในวัฏสงสารได้ถ้าไม่ทำไม่ปฏิบัติจิตชีเลตมันก็พาทำบาปจิตทีเมความโกรธถือความโกรธเป็นใหญ่ใครไปถือตามจิตโกทะกจิตโกรธจิตโกรธนั่นแหละจะพาสร้างบาปทำบาปย่าได้ตามมันไป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 ก็มีแต่คิดเมตตากรุณาแก่มนุษย์และสัตว์ทางหลายเรีว่ามีเมตตาสงสารคอยยินดีในเมื่อเวลาเขายินดีเขาได้คุณงามความดีกับํำใจยินดีไปด้วยใจภาวนาย่อมเป็นจิตใจอันแน่วแน่มัน่นคงถ้าเหตุการณ์ใดๆมันสุดวิสัยหรือวิสัย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 เวลาความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเข้าวิกรมีการร่างกายสังขารจะเห็นได้ว่าถ้าคนไม่ได้ปฏิบัติบูชาภาวนานั่นเกิดความทุกข์มากแ่จะบ่นเพ้อลำเลีไปตามภาษาของคนไม่รู้เกิดความทุกข์มากขึ้นไปนั่นคือว่าไม่ภาวนาไว้ก่อนไม่ละกีเลสความโกรธเชี่ยก่อน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 ท่านพิจารณาทำกรรมาฐานในร่างกายสังขารของท่านตลอดต่อตรงไม่มีสิ่งใดที่จะมาหลอปลวงให้ลุ่มหลงมัวเมาต่อไปอีกไม่มีท ส, สิ้นสุดนั่นทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจิตใจของผู้ภาวนาจริงๆจะมีแต่ความสงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติ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 ก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการฉันดีสัพพิตโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสสุมาเตพวัตวันตรยโยสุขีธีคายุโกภวะอธิวาธนาชิริสนิจจังวุฒาปเจดีโนจตารโธรรมาวัทันติ อายุวันโอสุรังชาลังก <c oughs> าร น, นั่งภาวนาเป็นสิ่งสำคัญฝึกหัดนิสัยใจคอของตัวเองให้มันกล้าหาญจะไปคอยอยู่มันได้ มรรคผลนิพพานบัรเซของคอยเป็นการทำให้เกิดในมีขึ้นใ น, ในใจิตใจของทุกๆกองทุกค น, กคนจะไปคอยให้บารามีแก่โดยไม่ทำไม่ปฏิบัติมันไม่ได้ต้องปฏิบัติ ในเตือนข้างหนึ่งว่าก่อนจะหลับจะนอนคืนคืนหนึ่งให้เดินจมกลมองละสองชั่วโมงคนละสองชั่วโมงก่อนในเดินจมกลมหรือไม่ได้เดินก็ไม่รู้หรือเดินได้แต่สองสามวันพอสี่วันก็เลิกเด่นเาอย่างนั้นหมดได้เลยเดินจกมกลมเหยืดเส้นเหยืดต้าย การเดินนั่นเลีย ว, ว่าเป็นประโยชน์มากผู้ทำความเพียรแทดเผากิเลสนั้นถ้าขาดการเดินจมกลมเนี่ยจะนั่งไปสักหน่อยก็เหงานอนแล้วก็นอนไปเช่นก่อนนอนตื่นขึ้นมาก็ บ, บินบาดบทันโมละ ได้วิ่งไปบินบาดงั้นต้องให้เตือนก่อนเตือนก่อนทีสามทีสามนั่นบทเส้นลักังมันดังเองมันต้องมีพูธีพุ้ธีละกขังโพ้ผู้เชือ่อศาสตร์อาธนะมันต้องเตือนก่อนสามงนนั้นทุกๆุกองต้องเตือนก่อนละกขัง แล้วค้างดังแล้วไม่มาอีกตอนเช้านั้นมักจะนอนรลวดเลยไปที่ว่างอยู่เยอะแยะตอนเช้าต้องให้เดินจมกรมปองการเดินจมกรมนั้นเป็นอุบายสำคัญจึงได้เตือนให้ระลึกถึงระ อรหันตาอง์หนึ่งในข้างพุทธกาลโน้น่นเดินจำกลมจนเท้าแตกแล้วก็คานคานจนเขาแตกก็ยังไม่ถอยความเทียนเส้นนอนขวางทางจน ก, กลมกิ่งเอาไปกิ่งปาพุโทโธไปสุดทางก็กลิ่งกลับมา เอาจำได้สำเร็จมรรคผลไม่เห็นท่านไม่เห็นท่านตายก่อนเวลาท่านทำความเพียรภาวนาพระเนญยติโยมทาปองเรานี่มีแต่กลัวตายเน้อคันให้เดินจมกมสองชั่วโมงจึงค่อยขึ้นไหวพระสวดมนต์ นั่งสมาธิภาวนา็โอ้ยเด็กเดินสองชั่วโมงนี่ก็ตายแล้วนั่นแลลวมันไปคาตายหลวงปู่มั่น็นบ่เห็นคาเป็นเอาจนได้ทั้งเช้าทั้งเย็นตอนหัวค่ำมันก็เดินได้สองชั่วโมงสี่ทุ่มมันก็จาวัด เดินนอนมากับลงเดินจงกลมสองชั่วโมงขึ้นไหวพระสวดมนต์ทำไมอย่างนั้นเพิ่อนก็นเดินจงกลมสองชั่วโมงโบเห็นท่านตายก่อนอายุแปดสิบอายุหลวงปู่มัน่นเน่แปดสิบเ่นเดินจมกลมแข็งแรง ไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยพระเนีนอง์ใดที่เก็บเล็กเก็บน้อยเป็นไข้นิดหน่อยก็นอนท่นานไม่ยอมให้ลุกเดินจมกลมเมื่อเดินจมกลมเส้นเอ็นมันเยืดเส้นเยืดสายไข้เล็กๆเน้นน้อยมันก็หายไป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 นี่ก็ดีสมัยก่อนก็ตามท่านมาภาวน า, าท่านทาพารฟองทมเชียงดาวจึงเป็นธรรมที่มีชื่อเสียงทางเป็นมงคลนอกจากพระอราหันตาแก่ก่อนท่านมาภาวนามานิพพาน เยอะแยะที่เขาเน่แล้วเขาเน่สมมีเทวดาอินทร์ชมมีหนากมีคดมีสิ่งศักดิ์หลายอย่างหลายประการเมื่อเรามาโชวสถานที่วิเวกแล้วก็ให้เลขภาวนา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 ให้ได้ทุกวันทุกเช้าทุกเย็นนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ทุกเช้าทุกเย็นแล้วกันนอกจากนั่นก็เรียกว่าทุกลมหายใจเข้าออกอย่าพากันประมาทเมื่อใจประมาทมันลันเล้อแล้วท่านไม่เอาฐานไม่สั่งใจ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 มันเอาโถกันละมันเขาเสีไฟถ้าเอาไม้นั้นชิ้งไว้ร้อยปีก็ไม่เกิดไฟแต่เอามาโถ ก, กันโดยไม่นานไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงสามสิบนาทีก็ได้ไฟขึ้นมาใช้ไม้ไผ่ที่ คนเราเอาถูไปถูมามันเป็นคมนานเข้ามันก็ล้อนร่อนมันกับไฟมันก็เกิดขึ้นใน น, นั้นไฟมันก็ไหมไหมไฟทั้งที่เอาถูกันทะลุมาหาที่ฝอยมันก็ลกเป็นไฟเอาโบลีจุดเข้าไปเราก็ต่อหาที่เยอที่อะไรมาต่อก็ดังไฟได้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 เป็นภิกษุเป็นตูเจ้าทีนี้มันจึงจะเกิดผลขึ้นมาเหมือนไม้สีไฟสีฤธู ก, กันเข้ามันก็เกิดความร้อนเมื่อมันเกิดความร้อนมันก็เกิดไฟขึ้นมาไฟมันก็ติดเชื่อเพลิงเชื้อไฟที่เอาล่อมันไว้นั้น บุคคลผู้นั้นก็ได้ไฟมาใช้มาหงจมทำอยู่ทำกินของคนสมัยโบราณอันนี้คือว่าต้องปฏิบัติต้องกระทำไม่ใช่นั่งภาวนาพอเป็นทิธีอย่างนี้บน่นายต้องทำตั้งใจทำจริงๆ เดวะตั้งใจนึกตั้งใจเจริญทุกลมหายใจเข้าออกสิ่งใดไม่ดีอย่าไปทําสิ่งใดไม่ดีอย่าไปโทษสิ่งใดไม่ดีอย่าไปคิดไปนึกตัความคิดตัดความคิดที่ออกนอกเรื่องนอกราวออกไปให้นึกให้เจริญในคนพระพุทธเจา้าคุณพระธอัมประสงค์ จึงมีว่าให้นึกมรณะกรรมาฐานทุกลมหายใจเข้าออกจนเห็นความตายของตัวเองทุกเวลาว่าเราเกิดมาแล้วได้รักษาศีลภาวนาศีนธรรมกรรมฐานอยู่ที่ไหนแต่อยู่ที่ใจนึกถึงมรณะภัยที่จะมาถึงตน ม่ให้จิตใจฟุ้งสานลำคาญไปภายนอกให้ใจมองเห็นความตายของตัวเองแล้วก็มองเห็นความตายของญาติกาวงศาของตัวเองจะได้มองเห็นพ่อแม่ที่ตายไปแล้วก็ดียังไม่ตายก็ตามมันจำเป็นจะต้องตายไปทุกโลกทุกนาม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 ก็ดีดีอยู่หลับไปหน่อยแล้วก็เกิดเอเอเอออาอาขึ้นมาเอาแล้วมันเนี่ยตายไปมันรวดเร็วที่สุดความตายดังนั้นพระองค์จึงสอนลัดเข้าไปเลยทีเดียวว่าให้สาวกของเราสัพพคด ภาวนาตายทุกลมหายใจเข้าออกนะแล้วพระองค์ก็ตากีกว่าเราตถาคตหมายถึงพระองค์เองมรณะกรรมาฐานนี่พระองค์ไม่ได้จิิงได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นั่งเฉลออยู่เหมือนพระพุทธโลกไม่เป็นอย่างน้นอันนี้พระพุทธโลก พระพุทธเจ้าพันมาเด็นั่งเหมือนพระพุทธโลกยืนเดินนั่งนอนเทศนาว่าการตัเกเตือนพระกิกสุสามเณรสิกษุสิกโุเนอุบาสกอุบาสิกาให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่ใช่นั่งเหมือนพระพุทธิพระพุทธโูกพระพุทธเจ้า อันนี้ผู้บวชผู้ไ้บวชก็ตามให้ภาวนาโดยตนเองการปฏิบัติภายในไม่ใช่ว่าผู้อื่นจะยิดยื่นให้เหมือนวัตถุเข้าของภายนอกเหมือนสะตางเป็นของมีค่าจะต้องจับจ่ายใส่สอย แตบคนทุกคนเนี่ยก็ไปขอขอสตางคนมีเขาก็ให้บ้างแต่ว่าการปฏิบัติภาวนานี่จะไปขอเอาอย่างนั้นไม่ได้ขอก็ได้แค่ขอเท่านั้นแหละแล้วพวกที่มักง่ายก็มีอยู่ทุกวันนี่ก็ยังมี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 เราไม่ทำไม่ปฏิบัติไม่ได้เราต้องตั้งใจทำลงไปคาว่า